พุทวาสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพคะรายการสันสนีสนทนานะคะกับเช้าตรู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว fm 1 0 6ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็ดำเนินกันมาอย่างนี้นานแล้วนะคะเพื่อที่ให้ท่านทั้งหลายฟังรายการสันสนีสนทนาเป็นการสนทนาธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้เป็นความจริงบนโลกใบนี้เป็นความจริงที่สูงสุดด้วยนะคะ ความจริงนี้ก็ยังอยู่เช่นนั้นดิฉันสันสินาพง์ดำเนินรายการและมีพระเพรบุญพิปุญโนจาวัตป่าดอนหายโศตนะคะจะเป็นผู้มาให้ธรรมะกับเราและทุกวันในรายการก็จะเริ่มต้นกันด้วยการให้พวกเราได้เข้าสู่การปฏิบัติธรรมเป็นโอกาสที่พิเศษมากสำหรับเร า, เราท่านๆ ท, ที่ต้องใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ทางานหรือว่าทากิจอย่างคื่ไม่มีเวลาไปีเรเนก็ใช้เวลา ตอนช่วงเช้าตรู่นี้อย่างมีค่าได้ปฏิบัติบูชาพระพุทธองค์แล้วก็เป็นการฝึกความชํานาญในการทําในสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตนะคะดิฉันเชื่อเช่นนั้นกับวันนี้เรามีเรื่องที่น่ายินดีก่อนจะพบพระอาจารย์ยังขออนุญาตพูดก่อนจันละกันว่าเมื่อก่อนนั้นดิฉันขานนามท่านหรือว่าฉายาของท่านว่าพระพัยบุญอภิปุโนตอนเริ่มต้นของรายการ ท, กทุกวันทุกวันตอนนี้ท่านก็ทราบว่าท่านนั้น ได้ใช้ความสามารถของท่านจนกระทั่งทานได้ประเรียน3ประโยคนะคะด้วยการาเรียนภาษาบาลีอย่างคำมักคำเมนซึ่งโดยปกติทั่วไปเมื่อได้ปรเรียนสามประโยคแล้วคํานําหน้าชื่อของพระสงฆ์ก็จะมีคําว่ามหาติดมาด้วยดังนั้นยังจะขออนุญาตตอนนี้เพื่อที่จะไปถามท่านว่าเรียกถูกหรือยังด้วยนะคะว่าคงจะขออนุญาตเรียกท่านว่าพวกเราไปพบกับ พระมหาไพบุญอภิปุโนนะคะกราบนพิธ ก, การแล้วท่านคะเชิญพานดิฉันถูกหรือผิดคะคำว่ามหาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นไทเทอร์สำหรับพระสงฆ์จริงๆเรื่องนี้มันเริ่มมาตั้งแต่ในราชวงศ์จั ก, กรีเนี่ยที่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เขาจะบันทึกกันมาก็จะเป็นภาษาบาลีแล้วก็เป็นอักษรขอมอย่างนี้ถูกไหมค่ะทีะนี้บุคคลที่จะรู้คําสอนพวกนี้แล้วก็ จะแปลได้ให้ความรู้ได้ก็จะเป็นผู้ที่ต้องศึกษาคร่าเคร่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระสงฆ์ก็เลยยกย่องพระสงฆ์ที่รู้ภาษาบาลีโดยให้มีคําว่าเป็นเรียกว่าเป็นพระมหาพระมหานทีนี้พอมาในาระยะช่วงตั้งแต่รชัชกาลที่4รีรัชกาลที่5้าโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยท่านได้ปรับปรุงประยุกต์รูปแบบของการเรียนภาษาบาลีใหม่ให้มีการรัดกุมชัดเจนมีการสอบประเมินวัดผล นะก็จึงแบ่งหลักสูต์ออกมาเป็นประเด็นธรรมเ้าประโยคโดยจะเรียกภิกษุที่มีความรู้ตั้งแต่ขั้นประเด็นธรรมสามขึ้นไปเนี่ยในภาษาบาลีเนี่ยก็จะมีไทเทอรว่าเป็นพระมหาแต่พระอก็เลยจะให้พวกเหล่าข้าราชบริพานกระปุ่งง่ายคือข้าราชการทั้งหมดนั่นแหละโดยเป็นทางการเนี่ยก็จะเรียกพระที่มีความรู้ทางภาษาบาลีนะพอสมควรขั้น3มขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าเป็นพระมหาผล เ, นะเป็นอย่างนั้น นะคะที่นก็เรียบพระมหามาหลายรูปแล้วแต่เพิ่งรู้ที่มาที่ไปเต็มๆจากท่านเฟย์บูลเนี่ยแหละค่ะนะคะก็ต้องอกราบนมัส ก, การาเขาเรียกว่าอะไรครับพวกเราก็มีจิตใจที่น่าจะยินดีด้วยนะคะเพราะว่าได้รู้ว่าเจตนาที่ท่านเรียนภาษาบาลีก็ต้องการเข้าถึงคําสอนของพระศ า, าสดาที่มาโดยเป็นภาษาบาลีในอย่างลึกซึ้งจะได้ให้ประโยชน์กับพวกเราอย่างเต็มที่ใช่ใช่ใช่ค่ะ งั้นก็นิมนต์ท่านเลยนะคะใ น, ในเรื่องของการปฏิบัติในอย่างเช่นเคยนําที่เราได้ทํำกันมาแต่ว่าในการที่เราจะทรงจิตของเรารักษาจิตของเราปริชาภิบก็ให้เราตั้งสติเอาไว้นการตั้งสติในสติคือการระลึกได้เราก็ต้องมีสถานที่สักสถานที่หนึ่งที่เราจะเอาจิตของเร า, เาไปตั้งเอาไว้แสถานที่นี้ที่เราใช้กันเป็นประจำก็คือลมหายใจของเรานใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งของจิต ทีนี้ลมหายใจเนี่ยมันเข้ามันออกมันเคลือ่อนมันผ่านเข้าผ่านออกอยู่เป็นประจำเราก็เอาสักจุดใดจุดหนึ่งเนะ่เพราะว่าถ้าเราตามลมหายใจแล้วมันจะไม่อยู่นิ่งแต่ให้ใช้จุดเดียวจุดที่เราจะมารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้พนะระพุทเจ้าให้พูดถึงตำแหน่งที่เป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจนั่นก็คือในโพรงจมูกเรามาระลึกถึงตรงนี้ไม่ต้องตามลมนะไม่ต้องบังคับลมรับรู้ได้ที่ตรงไหนเอาจิตของเราจดจ่อไป ที่บริเวณนั้นแล้วเราก็ให้เอาจิตของเรามาตั้งอยู่ที่นี่ระลึกถึงลมหายใจในขณะที่เราระลึกถึงลมหายใจของเราอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับลมอยู่นี้ก็าสามารถที่จะใกล้ครวญธรรมะไปด้วยได้โดยธรรมะที่เราจะใกล้ครวญ น, นั้นก็เป็นแม่แม่บทนะเป็นพุทธพจน์ ท, ที่เราควรจะนํามาใกล้ครวญในขณะที่เราอยู่ในสมาธิมีจิตมีส ต, ติตั้งมั่นอยู่วันนี้จะได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับ การทำงานของเรื่องของอภิชาพระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้โดยเปรียบเทียบนะครับเรื่องของฝนตกเอาไว้อย่างนี้ว่าวิสษจ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนกับฝนหนักๆที่ตกลงบนภูเขาน้ำฝนนั้นย่อมไหลไปตามที่ลุ่มย่อมทำซอกเขาซอกผาและลาห้วยทั้งหลายให้เต็มครั้นซอกเขาซอกผา และลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงน้อยๆทั้งหลายให้เต็มครันบึงน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็มครันบึงใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำน้อยๆทั้งหลายให้เต็มเมื่อแม่น้ำน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็ม เมื่อแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำมหาสมุทรสาครให้เต็มที่สุดทั้งหลายอาหารแห่งมหาสมุทรสาคร น, นั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และเต็มแล้วด้วยอาการอย่างนี้ข้อนี้ฉันใดก็ฉั น, นั้นเหมือนกันกล่าวคือการไม่คบกับคนดีเมื่อเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทำการไม่ได้ฟังพระธรรมให้บริบูรณ์ การไม่ได้ฟังพระสธรรมบริบูรณ์แล้วย่อมทำความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์เมื่อความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์แล้วย่อมทำการไม่ทำในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์เมื่อไม่มีการทำในใจโดยแยบคายก็ย่อมทำความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ เมื่อความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้วย่อมทำการไม่สมรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์เมื่อการไม่สมรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้วย่อมทำทุจริตทั้งหลาย3ประการให้บริบูรณ์เมื่อทุจริตทั้งหลาย3ประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำนิวรณทั้งหลาย5ประการให้บริบูรณ์ เมื่อนิวรคือเครื่องกลางกั้น5้าอย่างบริจุบุญแล้วย่อมทำอวิชาให้บริบุบุญอาหารแห่งอวิชชานี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้และบรรจุบุญแล้วด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้อันนี้คือให้เราใคร่ครวนไปในขณะที่เรามีสติหรืแม้แต่ฟังคำอธิบายหรือว่าในขณะที่เราอยู่ระหว่างวันก็สามารถมีสติต่อเนื่องต่อไปได้เจริญพรค่ะสาธุค่ะ คือบทพยัญชนะนี้นี่เป็นเรื่องสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยแท้ใช่ใช่ใช่ไหมคะโดยที่พูดถึงว่าในส่วนของการปฏิบัตินั้นการสํารวมอินทรีย์สําคัญถูกต้องออก็คือพระพุทธเจ้าใ น, ใ, นในตอนต้นของพระสูตรนี้ที่พูดถึงเรื่องของอวิชานะคือมีพิกษุไปถามเนี่ยวภิชาเป็นยังไงมาอย่างไงมันโตได้ยังไงอะไรอย่างนี้พระนะพุทธเจ้าก็เลยเลยอธิบายก่อน แนวว่าที่ว่าอวิชชาเนี่ยมันโตขึ้นได้คื อ, ค, อคือธรรมชาติของอวิชชาเนี่ยนะคุณโยมติ๋วมันจะเป็นลักษณะมืดมันจะปกคลุมครอบงําทําให้เราไม่รู้ไม่เห็นเนะี่ยจไม่ได้ไม่เข้าใจเนะีอย่างเช่นว่า เ, าเวลาที่เราโกรธอย่างเงี้ยนะเราถูกไฟคือความโกรธเผาอยู่เนี่ยแต่เราไม่รู้เรากลับคิดว่า ด, ด่าเขาเนี่ยมันจะสบายใจอย่างเงี้ยนะไอความความไม่รู้อวิชชาคือเราไม่รู้สึกตัว ว่าเราถูกความโกรธเผาอยู่อย่างนี้เปน็นต้นหรือในขณะที่เรากำลังเคลือบเคลื่อลิศเพลินโอ้โหเกีเ่ยวกับเรื่องเครื่องประดับก็ตามของสวยๆ ย, ยงามอย่างนี้เห็น <c oughs> ของสวยงามดูหนังดูละครฟังดนตรีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราเลิศเพลินเคลือบเคลื่ไปแล้วเราถูกกิเลสคือราคะเผาอยู่ถูกกามตันหานี่เคี้ยวกินอยู่แต่เราไม่รู้เหมือนไอ้ปรสิต ท, ที่มันอยู่ในท้องเราเขาเรียกว่าอะไรนะพวกปริญาต่างๆนี่มันดูดมันเราเราจะไม่รู้ ดังนั้น อ, อนุญาตถามให้ชัดให้ได้คําตอบชัดกว่านี้คือท่านท่านกำลังจะให้คําอธิบายคําว่าอาวิชชาถูกไหมคะใช่ใช่ทีนี้เหมือนกับท่านขึ้นต อ, อวิชชาเนี่ยคือความมืดแต่ทีนี้ท่านก็อธิบายต่อมาดิชันอยากจะให้ท่านให้คาจํากัดความที่คิดว่าสามารถเข้าใจได้สั้นๆแต่ครอบคลุมคําว่าอาวิชชาซึ่งดิชันเคยเข้าใจว่าเป็นความไม่รู้แต่ต้องการทราบว่าไม่รู้อะไร ไม่รู้เนี่ยถ้าโดยพุทธพจน์ก็คือไม่รู้วิชาเหมือนชัดเจนนะคือไม่อวิชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้วิชาอแล้วมันคืออะไรกันแน่ก็ไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้อริยสัจสอริยสัจสคืออะไรไม่รู้ทุกเป็นยังไงไม่รู้แล้วทุกต้องทํำยังไงไม่รู้เนี่ยนะคือคือเป็นอวิชาทีนี้นอกจากไอคือด้วยความที่เราไม่รู้อริยสัจสเนี่ยมันเลยต่อไปทําให้เราไม่รู้จักตัว ไม่รู้สึกตัวในอะไรคุณถูกเผากินอยู่คุณก็ไม่รู้ตัวหรือทําใหไ้ไม่รู้เรื่องอยงเช่นพระพุท า, าพูดถึงว่ายกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าคุณกำลังเล่นสนุกอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยกำลังลอยล่องตามกระแสม่น้ําไปแต่ว่าไปอีกหน่อยนึงเนี่ยมันเป็นน้ํำตกนะข้างล่างก็มีน้ําวนมีอสูรกายมีผีเสื้อสมุดถูกจับกินไดนะ้คือถูกเตือนแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะรู้เฉพาะสนุกอยู่ตรงหน้ามองไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดเป็นลักษณะตาบอดกําช้าง อนี้นคือคือมันไม่รู้มาเรื่อยๆอ่าเราก็ทําให้เราไม่รู้ตัวว่าถูกกิเลสเผาก็ร่นอยู่ถูกการพัฒ น, นาเกี้ยวกินอยู่อย่างดีว่านั้นค่ะยังรวมถึงการที่ไม่รู้จักว่าจะต้องไม่รู้จักที่จะตื่นหลับอยู่หลับไหลอ่ายังบางคนคุณยมติว่าจะเคยเห็นคนที่เราแบบละเมอออกมาเพ้อพูดไม่รู้เรื่องลักษณะนั้นค่นนคือคนที่ถูกอวิชชาครอบงําอยู่ค่ะงั้นถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆคือว่าความไม่รู้ อวิชาของพระพุทธองค์เนีหมายถึงไม่รู้ในสิ่งที่เป็นธรรมหลักซึ่งท่านได้ตรัสรู้พบคืออริยสัจสิ่ใช่ใช่นะคะและถ้ามาลงรายละเอียดดูเหมือนกับว่าความสนุกเพลิดเพลินทั้งหลายที่ท่านพูดเหมือนไปเล่นน้ำตกอย่างเงี้ยอื่อเราก็รู้แต่แค่ตรงสนุกแต่ไม่รู้ว่าเลยสนุกไปแล้วมันอาจจะมีอันตราย ม, มีทุกขนาดไหนอ่าใช่ค่ะสามารถอนุมานเข้าได้กับทุกๆเรื่องถูกต้องถูกต้องเช่นสมมติท่านพูดแตะไปที่ละครเมื่อสักครู่อือหือ ก็เช่นเดียวกันว่าถ้าดูละครเนี่ยเราก็จะดูว่ามันสนุกมั่เรื่องของมันสนุกบางทีเรื่องจะเป็นยังไงจะดีจะร้ายทุกคนบอกสนุกหมดอะเรื่องร้อยเรียงร้าวใจความทุกข์อยู่ตรงไหนคาความทุกข์อยู่ตรงที่เราเพลินถ้าเรามีความเพลิดเพลินกำนัดยินดีนะอันนั้นคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นอันนั้นคือเหตุของทุกข์ที่เกิดขึ้นนะคือตรงนี้ทาให้เราไม่รู้ว่าอ๋ออันนี้คือเรยสัสี เพราะเพราะรากมันอยู่ตรงที่ว่าคุณไม่รู้อริย ส, สัจสี่ถาไม่คุณไม่รู้อันนี้ผัสสะนี่คืออะไรไม่รู้สึกว่าอันนี้มันเผ็ดหรือว่ามันเย็นจริงๆ<ช>มันเย็นหรือมันเผ็ดกันแน่คือท่านก็เลยจะบอกว่าการไม่รู้ในลักษณะที่ดี่ท่นยกตัวอย่างละครเนี่ยอืความเสียหายคือความเพลินใช่ทุกคนก็เลยบอกว่าเพลินก็ดีนะคะก็นีไงเ<ด>พราะความไม่รู้<ด>ถูกงดเงียบคะ่ะอ่าถูกความไม่รู้ห่อหุ้มอยู่ เกิเสียหายยังไงคะท่านคะเพราะว่าเปลินเนี่ยทำให้เราประมาทประมาทมัวเมาลืมนะะมานจะได้ช่องตรงนี้นะมานจะทํายังไงถ้าตอนที่เราเปลินปุ๊บปรากฏไฟดับทำไงอ่ะอายาไม่ได้ดูมันจะเครียดเนี่ยมันเอาเราตรงนี้นะเพราะเราประมาทแล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าปรากฏว่าไฟดับไม่พอคนมาเปลี่ยนช่องหรือว่าทําไมสัญญาณไม่ชัดเราก็จะจี้ขึ้นมาทันทีเพราะเราเปลินไปตรงนั้น อาจจะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราไม่รู้สึกว่าความเพลินน่ากลัวถ้าสมมติอยากจะให้รู้ว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงอยากให้เราเพลินนะคะมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวกว่า น, นี้มีไหมคะพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับไฟไฟดีไหมไฟ <c oughs> นะอย่างไฟที่เราเห็นเปลวนะก็คือมันแดงโล่ขึ้นมาเนี่ยเรายังหลบได้อันตรายของมันได้เพราะมันจะรู้สึกร้อนจะเห็นภาพต่างใช่หมทีนี้ <c oughs> ไฟทานเพลิง ที่ไม่มีเปลวไม่มีควันนะมันก็ยิ่งอันตรายขึ้นยกตัวอย่างเช่นเตารีดอย่างนี้เป็นต้นนะเราเห็นมันเสียบลักอยู่เอ้ยไม่รู้มันร้อนไม่ร้อนจับดูอ้าวร้อนสวยไปนะก็ยิ่งอันตรายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะทีนี้ที่อันตรายที่สุดก็คือราคาโทสะไฟคืราคาโทสะโมหะเพราะว่าเวลามันเผาเนี่ยเราไม่รู้มันเป็นมันเผาเราอยู่นะมันไหมออกมันเป็นขี้เท่าออกมาเลยอะนะนึกถึงบ้านเนี่ยถ้าไฟไหมเราเห็นควันเห็นเปลวเรียงไปดับตรงจุดนั้นได้ แต่อยู่ๆปุ๊บมันละลายออกเป็นกี่เท่าละลายออกเป็นกี่เท่าบ้านเราเนี่ยหลังคาละลายออกมาเป็นกีเท่าเนี่ยโอ้ยจะไปดับตรงไหนอะมันมันดับยากมากตอนนี้ค่ะทีนี้ในพระสูตรที่ท่านได้อ่านตอนปฏิบัติได้พูดถึงอวิชาปรากฏเนี่ยเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยแล้วก็พูดถึงอาหาร่อาหารเหล่านี้ทําให้เกิดอวิชาหรือไงคะถูกต้องมันจะทําให้โตเรากินข้าวเราก็โตขึ้นใช่ไหมเช่นเดียวกัน ลักษณะกิริยาที่อวิชามันจะมาทําเราเนี่ยคือมันจะครอบงําแต่พระเจ้าใช้คํานี้บอกว่ามีอวิชาเป็นเครื่องกางกัน้นนะ ก, กั้นเอาไว้บังเอาไว้ครอบงำเอาไว้แผ่ซ่านไปค่ ะ, ะมันก็จะเหมือนกับหมอกเดนะที่มันจะไปปกคลุมเช่นเมฆหมอกปกคลุมดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือว่าลักษณะราหูอมจันทร์เดมันก็จะค่อยคืบคลานคืบคลานไปปกคลุมครอบงำค่ ะ, ะหมายถึงว่าอย่างนิวรณ ทั้งหลาย5ประการเป็นอาหารของอวิชชาถ้ามีนิวรมันก็เท่ากับอวิชชาจะโตโต้ขึ้นถูกเจ้ามันก็จะยิ่งครอบงามากขึ้นครอบงามากขึ richness, ้นพะครอบงามากขึ้นจะทำไงเราก็ไม่ไ ม, ไม่ทำความดีไม่ทําความดีทางกายวาจาใจพอไม่ทําความดีทางกายวาจาใจอนิวร์ยิ่งโตใช่ไหมเพราะว่าทุจริต3าอย่างไม่พูดดีไม่คิดดีไม่ทําดีไปพูดชั่วคิดชั่วทําชั่วยิ่งทำให้นิวรณ์เจริญมากขึ้น Pink. นะยิ่งมอจะเลยมากขึ้นมันก็ยิ่งทำให้มีอวิชามากขึ้นอย่าวิชามากขึ้ น, าานยิ่งครอบงินมากขึ้นครอบงินจะขนาดไหนถึงขนาดว่าไม่สมรัรวมอินทรีย์หูจมูกลิ้นกายใจไม่รับการปิดกันมันก็จะค่อยโตขึ้นโตขึ้นไม่รู้มากขึ้นทำไงอะ่ะก็ไม่มีสติสัมปชัญญนะพอไม่มีสติสัมปชัญญะก็เป็นอาหารของการที่ไม่สัมรวมอินทรีย์ไปอีก มันจะาุดคำว่าทุจริตทั้งหลาย3ประการนี่มหมายความว่าราคาโทสะโมหะอ่าไม่ใช่หมายถึงการพูดคิดทําในทาง<อ>ทุจริตออ่ะอ๋อค่ะพูดชั่วคิดชั่วทําชั่วนั่นคือตรงนี้อืมค่ะนะแล้วก็ถามว่าถ้าเราพูดชั่วคิดชั่วทําชั่วแล้วนิวร์มากขึ้นใช่ไหมเราจะมีความเครียดนิวรเนี่ยพูดง่ายคือความเครียกก็ได้เครื่องกลางกัน้นหรือว่าเครื่องที่จะทําให้หมวหมองเศร้าหมอง มีความง่วงเหงาๆนอนบ้างขี้เกียจบ้างเบื่อบ้างฟุ้งซ่านบ้างอยากบ้างมีความพยาบาทบ้างพวกนี้นะทำให้อวิชามันยิ่งโตอวิช า, ายิ่งโตปุ๊บก็ยิ่งทําให้แบบไม่อยากฟังธรรมไม่ได้มีความคิดที่จะไปพิจารณาอะไรให้มันรอบคอบนะพิจารณาแบบขอไปทีนะอวิชายิ่งโตมากขึ้นอีกคุณยิ่งไม่มีศรัทธานะความมั่นใจในคําสอนพระเจ้าก็ยิ่งลดลงไป นะไม่มีศรัทธาก็ก็ทำให้อ่ามันไม่ได้มีการพิจารณาใช่ไหมทีนี้ไอ้ความไม่มีศรัทธาเป็นผลจากอะไรนะก็มาจากการที่ไม to to ่ได้ฟังธรรมนะยิ่งโตมากก็เลยขี้เกียจไม่อยากจะไปฟังธรรมแล้วก็มีฟังเทศฟังธรรมที่ไหนไม่ไปนะเพราะถูกอภิชาครอบงามากยิ่งขึ้นค่ะก็ยิ่งทําให้ไม <c oughs> ่คบคนดีนะไปคบกับคนชั่วลักษณะนั้นเป็นต้นค่ะคือเรื่งกําลังคิดไปถึงเรื่องสถานการณ์ ที่คนเห็นไม่เหมือนกันทางเรื่องการเมืองทุกวันเนี้คะ่ะอืก็เหมือนกับว่าจะเกิดการทุจริตทั้งสามที่ท่านได้กล่าวมาคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตขึ้นได้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยนคิดว่าน่าจะมาเป็นตัวอย่างอันนี้ได้เลยนะคะเนี่ยอ่ามันก็จะมีเรื่องที่ไปเกี่ยวกับเรื่องการขัดแย้งด้วยอันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมค่ ะ, ค, ะคือเหมือนกับว่าพอทุจริตทั้งหลายกายวาจาใจ เกิดขึ้นก็ทําให้นิวรณ์ที่ท่านว่าเกิดขึ้นชได้แล้วก็ทําให้เหินห่างจากการสํารวมอินทรีย์เกิดความรู้สึกความศรัทธาในพระตราคตที่เคยคิดว่ามีก็ถดถอยลงไปได้ถดถอยลงไปได้ใช่ะคะ่ะคือการครอบงำของมันเนี่ยจะค่อยขยายวงกว้างขึ้นขยายวงกว้างขึ้นเพราะนั้นไอ้เรื่องลําดับขั้นการทํางานเนี่ยมันมาจากคือทุกเราทุกคนมันมีวิชาอยู่แล้วคือถ้าถ้ายังไม่เป็นพระอาหารหันต์นะ ถ้ายังไม่เป็นพระอาจานย์เราก็คุณก็มียวิชาอยู่แล้วถามว่าอาวิชชาที่อยู่ในใจคุณตอนนี้มันครอบงำคุณอยู่มาหลายสังสารวัติแล้วเนี่ยมาหลายเอาสงไข่กลับแล้วเนี่ยเอ่อมันจะโตขึ้นหรือมันจะเล็กลงนี่คือประเด็นนะถ้าเราทําให้มันโตขึ้นมันก็จะค่อยคืบคลานจากการที่บางทีเราก็มีนิวรมีความเครียดอันนี้ก็ธรรมดาใช่ไหมถ้ามันโตขึ้นปุ๊บเราจะยิ่งพูดชั่วมากกว่าคิดชั่วมากกว่าทำทำดีนะพูดชั่วคิดชั่วมากกว่าพูดดีทดําดีคิดดีนะสัดส่วนตรงนี้จะเห็นได้ชัด ปกติคนเรามันก็จะพูดดีคิดดีทําดีอยู่แล้วถูกไหมใช่่ ะ, ะมันอาจจะมีนิวรณบ้างอะไรบ้างก็นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ส่วนใหญ่จะพูดดีคิดดีทําดีมากกว่าทีนี้ถ้ายิ่งมีวิชาครอบงำมากขึ้นเขาจะยิ่งพูดชั่วคิดชั่วทําชั่วสัดส่วนนี้ก็จะต่างกันขึ้นละค่ะแล้วถ้ายังไม่หยุดความสัมพันธ์กันอถ้ายังไม่หยุดนิวรณมากขึ้นใช่ไหมนิวรณมากขึ้นอวิชชา ย, ยิ่งโตพรอวิชชา ย, ยิ่งโตคุณยังไม่หยุดปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งไม่มีสติิสสััมมมมปชญะออ่าาคืเ้ไไจีีกรรรนย์ สำรวมมินทรีย์แล้วคุณก็ยังยังไม่สำรวมมินซียังไม่หยุดหยุดไม่ได้ตอนนี้มันก็ยิ่งทําให้เราไม่มีสติสัมปชัญญะยังไม่หยุดอีกมันก็ยิ่งทําให้เราไม่มีความคิดพิจารณาเยอะโดยแยบคายปัญญาก็ยิ่งถดถอยลงถ้ายังไม่หยุดทําต่อไปอีกก็ยิ่งทําให้ไม่มีศรัทธาตนนี้ไม่มีศรัทธาก็ไม่ฟังธรรมไม่อยากฟังธรรมก็ยิ่งไม่คบคนดีไปคบคนชั่ว แล้วก็ยิ่งพาตกต่ำลงต่าลงจนกระทั่งไปถึงนรกกำเนิดเดรัจาญเปรววิสัยนั่นเลยค่ะเรนเข้าใจว่าถ้าหากจะพูดถึงการที่เรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเป็นตัวอย่างในลักษณะเมื่อสักครู่แล้วทุกคนก็มีความทุกข์ว่าเอ๊ะแล้วมันจะจบยังไงมันจะหาทางออกได้อย่างไรแต่ถ้าเราไปเติมเต็มด้วยการทุจริตทางกายวาจาใจไม่อยู่ตรงนี้มันก็จะทาให้ไอ้ความไม่รู้ของเรา ที่จะหาทางออกสติปัญญาไม่เกิดเนี่ยดํารงอยู่ได้อย่างนั้นถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องคือดิฉันเองเนี่ยก็อยู่ในจุดที่มีการคุยกันเรื่องพูกนี้นยเยอะนะคะแล้วก็วันนี้สดๆร้อนๆไปคุยกันว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะช่วยพาพวกเราออกจากความขัดแย้งได้อย่างไรดิฉันคิดว่าดิฉันไม่ได้คําตอบจากกระสุนบทนี้ด้วยเหมือนกันนะคะใช่คือคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อที่จะไม่เบียดเบียนใค ร, ครแล้วก็ถ้าจิตใจของเราเนี่ย มีการพัฒนาในแนวทางที่เป็นโยนิสโสมนัสิกาคือการทำในใจในลักษณะนี้เนี่ยน ะ, ะมันก็จะค่อยคลี่คลายเปิดออกมองมืดควันดำก็จะค่อยแจ้งสว่างขึ้ น, นลดลงไปค่ะนะค ะ, ะจริงๆก็ต้องกราบเรียนท่านว่าถ้าท่านจะสังเกตทัานจะไม่พาตัวเองเข้าไปนำรายการธรรมะนี้ที่บริสุทธิ์เนี่ยไปพูดเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองที่เป็นความขัดแย้งเท่าไหร่ แต่วันนี้เห็นว่าพูดแล้วน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าที่จะทําให้คนมามองว่าพาพระอาจารย์เข้าไปสู่แวดวงของความวุ่นวาย <c oughs> เดี๋ยวจะเสียหายเสียความบริสุทธิ์ของท่านซึ่งเันก็ไม่อยากทําอย่างนี้นะค ะ, ะ<บ>ต้องอาการจะสรุปตรงนี้นิดหนึ่งคุณยมเตียวเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะป้องกันตรงนี้ได้แต่ผนะู้ะเจ้าเปรียบเหมือนกับฝนที่ต ก, นกหนักลงบนภูเขา่เพดัะนะั้นเราจะรีเวิร์สไอ้เจ้ากระบวนการนี้ได้เนี่ยคุณก็ไปเพิ่มตรงไหนก็ได้ นะเพิ่มเข้าเพิ่มเข้าเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำมันยิ่งไหลลงไหลลงไหลลงไปแต่นะห้หมาสมุตเนี่ยมันเต็มขึ้นมาได้เอาวิชาก็จะเกิดขึ้นอวิชาก็จะค่อยระ ง, งับระ ง, งับลงไปค่ะนะสาธุค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะบางคนที่ไม่สนใจในเรื่องตัวอย่างที่ยกมาเลยแม้แต่ตัวอย่างหนึ่งแต่ว่าจะฝึกปฏิบัติตัวเอง เพื่อให้เจริญในธรรมมากยิ่งขึ้นนี่ก็เรื่องเดียวกันเหมือนกันถูกไหมคะท่านก็ ต, ต้องทุเลาหรือว่าพยายามทำไม่ให้มีเรื่องของกายทุจริตวิจิตทุจริตมโนทุจริตใชคะนะคะอืมค่ะนั้นก็คงจะพอควรแก่เวลาที่จะกราบนมรสการขอบพระคุณท่านซึ่งวันนี้ขออนุญาตเรียกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพระมหาไพบูรณ์อภิปุนโนและคงจะขออนุญาตเรียกไปทุกๆวันเลยนะคะเพื่อให้สมกับสิ่งที่ท่านได้ทุ่มเท ที่จะทําให้พวกเราได้เข้าถึงธรรมะของพระศ า, าสดาโดยตัวท่านเองเข้าใจด้วยตัวของท่านเองลึกเข้าไปในภาษาบาลียิ่งยิ่งขึ้นกราบนักสการขอพระคุณค่ะท่านบอลานบาพระครณค่ะและนี่ก็คือรายการสันนีสนทนาโดยดิฉันสัมมนาหน้าพรมได้กราบสนทนากับท่านพระสงฆ์จากวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการฝึกปฏิบัติแล้วก็สอนธรรมะกันอย่างจริงๆ จ, จ, จังๆ ในแต่ละเดือนจะมีคอสปฏิบัติทมเป็นเรื่องเป็นราวนะค ะ, ะพระมหาภัยบูรอภิปุนโนค่ะวันนี้รายการของเราก็หวังว่าจะทำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ไปนั่งสมาธิแล้วก็ใคร่ครวนในสิ่งที่พระอาจารย์ได้นำเอาพระสูตร ต, ต่างๆมาอ่านให้เราฟังทั้งสัปดาห์แล้วก็ฝึกปฏิบัติกันไปใครครวนกันไปประโยชน์เกิดขึ้นแน่นอนคนบางคก็เจอกันเข้ามอบของอเป็น ชิ้นเป็นอันให้กันมีค่าบ้างไม่มีค่าบ้างก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งของเราก็ให้นะคะอันนี้เป็นอริยทรัพย์ซื้อหาไม่ได้ต้องไปปฏิบัติกันเองแล้วจะปรากฏแก่ท่านเราพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ตีห้ถึงีห้าครึ่งที่สถานีวิทยุเ m ฟเอครอบครัวข่าวแห่งนี้ที่ชันสันสนินาพง์รายการสันสิีสนทนาลาท่านไปก่อนนะคะสหรับสัปดาห์นี้พุทธสวัสดีค่ะ